ธรรมบทแปลเรื่องที่149เรื่องยมกปฏิหารข้อความเบื้องต้นพระสัสดาทรงปรารพวกเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากที่พระทวารแห่งสังกส s นครตรัสพระธรรมเทศนานิว่าเยชานัปปสุตาทีราเป็นต้น ก็เทศนาตั้งขึ้นแล้วในกรุงราชครึกตอนเศรษฐีได้ไม้จันทร์ทำบาทความพิสดารว่าสมัยหนึ่งเศรษฐีชาวกรุงราชครึกให้ถึงขายมีสันถานคล้ายขวดเพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาอาภรณ์เป็นต้นที่หลุดไปด้วยความพลั้งเผลอแล้ว เล่นกีฬาทางน้ำในแม่น้ำคงคาในการนั้นต้นจันแดงต้นหนึ่งเกิดขึ้นที่ริมฝั่งตอนเหนือของแม่น้ำคงคามีรากถูกน้ำในแม่น้ำคงคาซอะโค้นหักกระจัดกระจายอยู่บนหินเหล่านั้นเหล่านั้นครั้งนั้นปุ่มหนึ่งมีประมาณเท่าม่อถูกหินครูดสีถูกคลื่นน้าซัด เป็นของเกลี้ยงเกล่ำลอยไปโดยลําดับอันสาห่ายรวบรัดมาติดที่ขายของเศรษฐีนั้นเศรษฐีกล่าวว่านั่นอะไรได้ยินว่าปุ่มไม้จึงให้นําปุ่มไม้นั้นมาให้ถากด้วยปลายมีดเพื่อจะพิจารณาว่านั่นชื่ออะไรท่านใดนั่นเอง จันแดงมีสีด่งางคลั่งสดก็ปรากฏก็เศรษฐียังไม่เป็นสมมาทิฏฐิไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิวางตนเป็นกลางเขาคิดว่าจันแดงในเรือนของเรามีมากเราจะเอาจันแดงนี้ทำอะไรหนอแลที่นั้นเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าในโลกนี้พวกที่กล่าวว่า เราเป็นพระอาหารหันต์มีอยู่มากเราไม่รู้จักพระอาหารหันต์แม้สักองหนึ่งเราจักให้ประกอบเครื่องกลึงไว้ในเรือนให้กลึงบาดแล้วใส่ซาแรกห้อยไว้ในอากาศประมาณ6กสอกโดยเอาไม้ไผ่ต่อกันขึ้นไปแล้วจะบอกว่าถ้าว่าพระอาหารหันต์มีอยู่จงมาทางอากาศแล้วถือเอาบาดนี้ ผู้ใดจักถือบาทนั้นได้เราพร้อมด้วยบุตรและภระยาจักถึงผู้นั้นเป็นสาระเขาให้กลึงบาตโดยทํานองที่คิดไว้นั่นแหละให้ยกขึ้นโดยเอาไม้ไผ่ต่อต่อกันขึ้นไปแล้วกล่าวว่าในโลกนี้ผู้ใดเป็นพระอรหันต์ผู้นั้นจงมาทางอากาศถือเอาบาตนี้ ตอนครูทั้งหกอยากได้บาทไม้จันทร์ครูทั้งหกล่าวว่าบาทนั้นสมควรแก่พวกข้าพเจ้าท่านจงให้บาทนั้นแก่พวกข้าพเจ้าเสียเถิดเศรษฐีนั้นกล่าวว่าพวกท่านจงมาทางอากาศแล้วเอาไปเถอในวันที่หกนิครนนาตบุตร ส่งพวกอันเตวาสิกไปด้วยสั่งว่าพวกเจ้าจงไปจงพูดกเกษตีอย่างนี้ว่าบาทนั่นสมควรแก่อาจารย์ของพวกข้าพเจ้าท่านอย่าทำการมาทั้งอากาศเพราะเหตุแห่งของเพียงเล็กน้อยเลยในว่าท่านจงให้บาทนั่นเถิดพวกอันเตวาสิกไปพูดกเกษตีอย่างนั้นแล้วเศรษฐีกล่าวว่า ผู้ที่สามารถมาทางอากาศแล้วถือเอาได้เท่านั้นจงเอาไปตอนนาตบุตรออกอุบายเอาบาทนาตบุตรเป็นผู้ปรารถนาจะไปเองจึงได้ให้สัญญาแก่พวกอันเตวาสิกว่าเราจะยกมือและเท้าขึ้นข้างหนึ่งเป็นที่ว่าปรารถนาจะหอะพวกเจ้าจงร้องบอกเราว่า ท่านอาจารย์ท่านจะทำอะไรท่านอย่าแสดงความเป็นพระอาหารหันต์ที่ปกปิดไว้เพราะเหตุแห่งบาดไม้แก่มหาชนเลยดังนี้แล้วจงพากันจับเราที่มือและเท้าดึงไว้ให้ลม้มลงที่พื้นดินเข้าไปในที่นั้นแล้วกล่าวกเกษตีว่ามหาเศรษฐีบาดนี้สมควรแก่เรา ไม่สมควรแก่ชนพวกอื่นท่านอย่าชอบใจการหอบขึ้นไปในอากาศของเราเพราะเหตุแห่งของเพียงเล็กน้อยจองให้บาดแก่เราเถิดเศรษฐีผู้เจริญท่านต้องหอบขึ้นไปทางอากาศแล้วถือเอาเถิดลำดับนั้นนาตบดกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงหลีกไปหลีกไป พวกอันเตวาสิกออกไปแล้วกล่าวว่าเราจะเหาะขึ้นไปในอากาศดังนี้แล้วก็ยกมือและเท้าขึ้นข้างหนึ่งทีนั้นพวกอันเตวาสิกกล่าวกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ท่านจะทำชื่ออะไรกันนั่นประโยชน์อะไรด้วยคุณที่ปกปิดไว้อันท่านแสดงแก่มหาชนเพราะเหตุแห่งบาดไม้ผีผ แล้วช่วยกันจับนาตบุตรนั้นที่มือและเทาเ้าดึงมาให้ล้มลงบนพื้นดินเขาบอกเกษตรีว่ามหาเศรษฐีอันเตวาสิกเหล่านี้ไม่ให้เราเหาะท่านจงให้บาดแก่เราเศรษฐีผู้เจริญท่านต้องเหาะขึ้นไปถือเอาเถิดพวกเตระถี แม้พยายามด้วยอาการอย่างนี้สิ้นหกวันแล้วยังไม่ได้บาดนั้นเลยตอนชาวกรุงเข้าใจว่าไม่มีพระอระหันต์ในวันที่7ในการที่ท่านมหาโมกลานะและท่านปินโทละพารัทวชะไปยืนบนหินดาษแห่งหนึ่งแล้วห่มจีวรด้วยตั้งใจว่า จากเที่ยวไปเพื่อบินทบาตในกรุงราชครืกพวกนักเลงคุยกันว่าชาวเราเอย๋ยในการก่อนครูทั้งหกกล่าวว่าพวกเราเป็นพระอาหารหันต์ในโลกก็เมื่อเศรษฐีชาวกรุงราชครื้ให้ยกบาทขึ้นไว้แล้วกล่าวว่าถ้าว่าพระอาหารหันต์มีอยู่จงมาทางอากาศแล้วถือเอาเถิด วันนี้เป็นวันที่7แม้สัต์องค์หนึ่งชื่อว่าเหาะขึ้นไปในอากาศด้วยแสดงตนว่าเราเป็นพระอระหันต์ก็ไม่มีวันนี้พวกเรารู้ความที่พระอระหันต์ไม่มีในโลกนี้แล้วท่านมหาโมคคลานะได้ยินถ้อยคำนั้นแล้วจึงกล่าวกับท่านปินโทละภารทตวชะว่า อาวุโสภารัธวาชาท่านได้ยินถ้อยคำของพวกนักเลงเหล่านี้ไหมพวกนักเลงเหล่านี้พูดเป็นตีว่าจะย่ำยีพระพุทธศาสนาก็ท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากท่านจงไปเถิดจงมาทางอากาศแล้วถือเอาบาดนั้นปินโทลัตภารัตวาชาอาวุโส โมกขลานะท่านเป็นผู้เลิศ ก, กว่าบรรดาสาวกผู้มีฤทธิ์ท่านจงถือเอาบาทนั้นแต่เมื่อท่านไม่ถือเอาผมจกถือเอาตอนพระปินโทละระรัตวชะแสดงปฏิหารเมื่อพระโมกขลานะกล่าวอย่างนี้ว่าท่านจงถือเอาเธอผู้มีอายุ ท่านปินโทลัพรัวาชะก็เข้าจตุทชาญมีอภิญยาเป็นบาทออกแล้วเอาปลายเท้าขีบหินดาบประมาณสามข่าวุฒให้ขึ้นไปในอากาศเหมือนปุ๋ยนุ่นแล้วหมุนเวียนไปในเบื้องบนพระนครราชกุลเจ็ดครั้งหินดาษนั้นปรากฏดังฝาละมีสำหรับปิดพระนครไว้ประมาณสามข่าวุฒ พวกชาวพระนครกลัวร้องว่าหินจะตกทับข้าพเจ้าจึงทําเครื่องกัน้นมีกระด้งเป็นต้นไว้บนกระหม่อมแล้วซุกซ่อนในที่นั้ น, น, นในวรระที่เจ็ดพระเถระทําลายหินด่านแสดงตนแล้วมหาชนหินพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านปินโธละพรทวชะผู้เจริญ ท่านจงจับหินของท่านไว้ให้มันอย่าให้พวกข้าพเจ้าทั้งหมดพินาศเสียเลยพระเถระเอาปลายเท้าเหวี่ยงหินทิ้งไปแผ่นหินนั้นไปตั้งอยู่ในที่เดิมนั่นเองพระเถระได้ยืนอยู่ในที่สุดแห่งเรือนของเศรษฐีเศรษฐีเห็นท่านแล้วหมอบลงแล้วกราวเปลี่ยนว่าลงเถอดพระผู้เป็นเจ้า นิมน์พระเถระผู้ลงจากอากาศให้นั่งแล้วให้นำบาตรลงกระทําให้เต็มด้วยวัตถุอันมีรสหวานสี่อย่างแล้วได้ถวายแก่พระเถระพระเถระรับบาตรแล้วบายหน้าสู่วิหารไปแล้วลําดับนั้นชนเหล่าใดที่อยู่ในป่าบ้างอยู่ในบ้านบ้างไม่เห็นปาฏิหาริย์ของพระเถระ ชนเหล่านั้นประชุมกันแล้ววิงวอนพระเถระวะ่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงแสดงปาฏิหาริแม้แก่กับพวกกระผมดังนี้แล้วก็พากันติดตามพระเถระไปพระเถระนั้นแสดงปาฏิหาริแก่ชนเหล่านั้นเหล่านั้นพลางได้ไปอย่างวิหารแล้วตอน พระศาสดาทรงห้ามไม่ให้ภิกษุทำปาฏิหาริย์พระศาสดาทรงสดับเสียงมหาชนที่ติดตามพระเยรนั้นอื้ออึงอยู่จึงตรัสถามว่าอานนนั่นเสียงไรทรงสดับว่าพระเจ้าข้าพระปินโทละพารัตวชะเหาะขึ้นไปในอากาศแล้วถือเอาบาดไม้จัน นั่นเสียงในสำนักของท่านจึงรับสั่งให้เรียกพระปินโทลรระพะรัตวชามาตรัสถามว่าได้ยินว่าเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเมื่อท่านกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข่าจึงตรัสว่าพารัตวชากทำไมเธอจึงทำอย่างนั้นทรงติเตียนพระเถระ แล้วรับสั่งให้ทำลายบาทนั้นให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วรับสั่งให้ประธานแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่อันบทผสมยาตาแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายเพื่อต้องการไม่ให้ทำปาฏิหารฝ่ายพวกเดรธีได้ยินว่าทราบว่าพระสมณะโกดมให้ทำลายบาทนั้นแล้ว ทรงบัญญัติสิขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อต้องการมิให้ทำปาฏิหาริย์จึงเที่ยวบอกกันในถนนในพระนครว่าสาวกทั้งหลายของพระสมณโคดมไม่ก้าวล่วงสิขาบทที่ทรงบัญญัติแม้เพราะเหตุชีวิตถึงพระสมณโคดมก็จะรักษาสิขาบทที่ทรงบัญญัตินั้นเหมือนกันบัดนี้พวกเรา ได้โอกาสแล้วแล้วกล่าวว่าพวกเรารักษาคุณของตนจึงไม่แสดงคุณของตนแก่มหาชนเพราะเหตุแห่งบาดไม้ในการก่อนเหล่าสาวกของพระสมณะโคดมแสดงคุณของตนแก่มหาชนเหตุแห่งบาดพระสมณะโคดมรับสั่งให้ทาลายบาดนั้นแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทแก่เหล่าสาวก เพราะพระองค์เป็นบัณฑิตบัดนี้พวกเราจะทารรปฏิหารกับพระสมณโคดมนั่นแหละตอนพระศาสดาทรงประสงค์จะทำปฏิหารพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับถอยคำนั้นแล้วเสด็จไปยังสำนักพระศาสดากราบทูลถามว่าพระเจ้าข้า ได้ทราบว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่เหล่าสาวกเพื่อต้องการไม่ให้ทําปาฏิหารเสียแล้วหรือพระสัสดาขอถวายพระพรมหาบาพิตรพระราชาบัดนี้พวกเดร ถ, ถีพากันกล่าวว่าพวกเราจะทําปาฏิหารกับด้วยพระองค์บัดนี้พระองค์จะทรงทําอย่างไร พระสัสดาเมื่อดิรัีเหล่านั้นกระทำอาตมภาพก็จะกระทำมหาบาพิษพระราชาพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแล้วไม่ใช่หรือพระสัสดามหาบาพิษอาตมภาพไม่ได้บัญญัติสิขาบทเพื่อตนสิกขาบทนั้นนั่นแลอาตมภาพบัญญัติไว้เพื่อสาวกทั้งหลาย พระราชาสิกขาบทเป็นอันชื่อว่าอันพระองค์ทรงบัญญัตในสาวกทั้งหลายอื่นเว้นพระองค์เสียพระเจ้าข้าพระสัสดามหบาบพิตรถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจกย้อนถามพระองค์นั่นแหละในพระเรื่องนี้มหบาบพิตรก็อุทยาในแว่นแคว้นของพระองค์มีอยู่หรือ พระราชามีพระเจ้าข้าพระศัสดามหากบพิษทว่ามหาชนพึงเคี้ยวกินผลไม้เป็นต้นว่าผลมะม่วงในพระอุทยานของพระองค์พระองค์พึงทรงทำอย่างไรแก่เขาพระราชาพึงลงอาชญาพระเจ้าข้าพระสัสดา กอพระองค์ย่อมได้เพื่อเสวยหรือพระราชาอย่างนั้นพระเจ้าข้าอาชญยาไม่มีแก่หม่อมฉันหม่อมฉันย่อมได้เพื่อเสวยของของตนพระสัสดามหาบาพิตรอาชญยาแม้ของอาตมภาพย่อมแผ่ไปในแสนโกรจากระวานเหมือนอาชญยาของพระองค์ ที่แผ่ไปในแว่นแคว้นประมาณสารอยโยชน์อาชญยาไม่มีแก่พระองค์ผู้สวยผลไม้ทั้งหลายเป็นต้นว่าผลมะม่วงในอุทยานของพระองค์แต่มีอยู่แก่ชนเหล่าอื่นขึ้นชื่อว่าการก้าวล่วงบัญญัติคือศิกขาบทย่อมไม่มีแก่ตนแต่ย่อมมีแก่สาวกเหล่าอื่นอาตมาภาพ จึงจากทำปาฏิหาริ์พวกเทระถีฟังถ้อยคำนั้นแล้วปรึกษากันว่าบัดนี้พวกเราชิบหายแล้วได้ยินว่าพระสมณโคดมทรงบัญญัติสิขาเพื่อเหล่าสาวกเท่านั้นไม่ทรงบัญญัติไว้เพื่อตนได้ยินว่าท่านปรารถนาจะทำปาฏิหาริ์เองทีเดียว พวกเราจกทำอย่างไรกันเล่าพระราชาทุนถามพระศาสดาว่าเมื่อไรพระองค์จกทรงทรรมปาฏิหาริย์พระเจ้าข่าพระศาสดามหาปพิธโดยล่วงไปอีกสี่เดือนต่อจากนี้ไปวันเพ็ญเดือน8ปดจรรมพระราชา พระองค์จกทรงธรรมที่ไหนพระเจ้าค่าพระสัสดาอาตมาภาพจะอาศัยเมืองสาวัตถีรร ม, มหาบพิษมีคำถามสอดเข้ามาว่าก็ทำไมพระสัสดาจึงอ้างที่ไกลยอย่างนี้แก้ว่าประทีนั้น เป็นสถานที่ทำมาหาปาฏิหารของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อีกอย่างหนึ่งพระองค์อ้างที่ไกลทีเดียวแม้เพื่อประโยชน์จะให้มาหาชนประชุมกันพวกเดรถีฟังถ้อยคำนั้นแล้วกล่าวว่าได้ยินว่าต่อจากนี้โดยล่วงไปสี่เดือนพระสมณโคดมจกทำปาฏิหาร ณเมืองสวัสถีบัดนี้พวกเราไม่ละเที่ยวจะติดตามพระองค์ไปมหาชนเห็นพวกเราแล้วจักถามว่านี่อะไรกันทีนั้นพวกเราจักบอกแก่เขาว่าพวกเราพูดไว้แล้วว่จาจักทำปาฏิหาริ์กับพระสมณโคดมพระสมณโคดมนั้นย่อมหนีไป พวกเราไม่ให้พระสมณะโคดมนั้นหนีจึงติดตามไปประศัสดาเสด็จเที่ยวไปบินทบาทในกรุงราชครึออกมาแล้วถึงพวกเดรธีก็ออกมาข้างหลังของพระองค์นั่นแลอยู่ใกล้ที่ที่พระผู้มีพระภาคทรงทำพัตกิจในวันรุ่งขึ้นพวกเดรธีบริโภคอาหารเช้าในที่ที่ตนอยู่แล้ว เดรธีเหล่านั้นถูกพวกมนุษย์ถามว่านี่อะไรกันจึงบอกโดยในเห็นคำที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นแลฝ่ายมหาชนคิดว่าพวกเราจะดูปาฏิหาริย์ดังนี้แล้วได้ติดตามไปพระศาสดาบรรลุถึงพระนกรสาวัตถีโดยลำดับตอน เดรถีเตรียมทําปาฏิหาริย์แข่งแม้พวกเดรถีก็ไปกับพระองค์เหมือนกันชักชวนอุปถากได้ทรัพย์แสนหนึ่งแล้วให้ทํามนดบด้วยเสาไม้ตะเคียนให้มุงด้วยอุบลเขียวนั่งพูดกันว่าพวกเราจะทําปาฏิหาริย์ในที่นี้ครั้งนั้น พระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระสัสดากราบทูลว่าพวกเดร ถ, ถีให้ทํำมนดบแล้วพระเจ้าค่าแม้ข้าพระองค์จะให้ทามนตดบเพื่อพระองค์พระสัสดาอย่าเลยมหาบาพิตรผู้ทํามนดบของอัตมาภาพมีพระราชาคนอื่นใครเล่า เว้นข้าพระองค์เสียจะอาจทำได้พระเจ้าค่าพระสัสดาท้าวส ก, กัดเทวราชพระราชาก็พระองค์จกทรงทรรมปาฏิหาริย์ที่ไหนเล่าพระเจ้าค่าพระสัสดาที่ควงไม้คันธามพระพฤกษ์มาบอพิษพวกธทระถีได้ยินว่า ในข่าวว่าพระสมณโคดมจากทมปาฏิหาริย์ที่ควงไม้มะม่วงจึงบอกพวกอุปถาของตนให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆโดยที่สุดแม้ ง, งอกในวันนั้นในที่ระหว่างยอดหนึ่งแล้วให้ทิ้งไปในป่าในวันเพ็ญเดือน8ปพระศาสดาเสด็จเข้าไปภายในพระนคร ผู้รักษาสวนของพระราชาชื่อคันธะเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างกลุ่มใบที่มดดำมดแดงทำรังไว้ไลกาที่มาชุมนุมด้วยความโลภในกลิ่นและรสแห่งมะม่วงนั้นให้หนีไปแล้วถือเอาเพื่อประโยชน์แด่พระราชาเดินไปเห็นพระาศาสดาในระหว่างทางคิดว่า พระราชาเสวยผลมะม่วงนี้แล้วพึงพระราชทานกหาปณะแก่เรา 8. กหาปณะหรือ 16. กหาปณะกะหาปณะนั้นไม่พอเพื่อเลี้ยงชีพในอัตภาพหนึ่งของเราก็ถว่าเราจะถวายผลมะม่วงนี้แด่พระศาสดานั่นจะเป็นคุณนำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่เราตลอดกาลไม่มีสิ้นสุด เขาน้อมถวายผลมะม่วงนั้นแด่พระศาสดาพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนเถระแล้วลําดับนั้นพระเถระนําบาตรที่ท้ามหาราชทั้งสถวายออกมาแล้วหวังที่พระหัตถ์ของพระองค์พระศัสดาทรงน้อมบาตรเข้าไปรับมะม่วงแล้ว ทรงแสดงอาการเพื่อประทับนั่งในที่นั้นนั่นแหละพระเถระปูจีวรถวายแล้วลำดับนั้นเมื่อพระองค์ประทับนั่งบนจีวร น, นั้นแล้วพระเถระกรองน้ำดื่มแล้วขยมามะม่วงสุกผลนั้นได้ทำให้เป็นปานักถวายพระสาสดาเสวยน้ำปานัผลมะม่วงแล้ว รักันายกันตะว่าเธอจงคุ้ยดินร่วนขึ้นแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงนี้ในที่นี้นี่แหละเขาได้ทำอย่างนั้นแล้วประส า, าสดาทรงล้างพระหัตบนเมล็ดมะม่วงนั้นพอเมื่อพระหัตอันพระองค์ท่งล้างแล้วเท่านั้นต้นมะม่วงมีลำต้นเท่าสีสะไถในวงเล็บ งอนไถมีประมาณ50สอกโดยส่วนสูงงอกขึ้นแล้วกิ่งใหญ่5กิ่งคือในสี่ทิศทิศละกิ่งเบื้องบนกิ่งหนึ่งได้มีประมาณกิ่งละห้สบอกเดียวต้นมะม่วงนั้นสมบูรณ์ด้วยช่อและผล ได้ส่งไว้ซึ่งพวงแห่งมะม่วงสุกรอดในที่แห่งหนึ่งในทันใดนั้นนั่นเองพวกภิกษุผู้มาข้างหลังมากอบฉันผลมะม่วงสุกเหมือนกันพระราชาทรงสดับว่าข่าวว่าต้นมะม่วงเห็นปานี้เกิดขึ้นแล้วจึงทรงตั้งอารักขาไว้ด้วยพระดารับว่า ใครๆอย่าตัดต้นมะม่วงนั้นก็ต้นมะม่วงนั้นปรากฏชื่อว่าคันธามพระพฤกเพราะความที่นายคันธะปลูกไว้แม้พวกนักเลงเคี้ยวกินผลมะม่วงสุกแล้วพูดว่าเจ้าพวกเดรธีถอยเว้ยพวกเจ้ารู้ว่าพระสมณะโคดม จากทรงทมปาฏิหาริย์ที่โค่นต้นคันธามพระพฤกจึงสั่งให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆแม้ที่เกิดในวันนั้นในร่วมในที่โยศหนึ่งต้นมะม่วงนี้ชื่อว่าคันธามพะแล้วเอ า, มาเมล็ดมะม่วงที่เป็นเดนประหารพวกตทรถีเหล่านั้นตอน ทา้าส ก, กัททำลายพิธีของพวกเทระถีเทา้าส ก, กัดทรงสั่งบังคับวาตะวลาหกเทวบุตรว่าท่านจงถอนมนตดกของพวกเทระถีเสียด้วยลมแล้วให้ลมห่อไปทิ้งเสียบนแผ่นดินที่ทิ้งหยักเหยื่อเทวบุตรนั้นได้ทำเหมือนอย่างนั้นแล้ว ทา้าส ก, ก่าสั่งบังคับสุรยิยะเทวบุตรว่าท่านจงขยายมนทนพระอาทิตย์ยังพวกเดรธีให้เราร้อนแม้เทวบุตรนั้นก็ได้ทําเหมือนอย่างนั้นแล้วเทาว้กกาสก่าทรงสั่งบังคับว่าตะวลาหกเทวบุตรอีกว่าท่านจงยังมนทนแห่งลมในวงเล็บลมหัวด้วน ให้ตั้งขึ้นไปเถิดเทพบุตรนั้นทำอยู่เหมือนอย่างนั้นโปรยเกลียวธุลีลงที่ศีรษะของพวกเทระถีที่มีเหงื่อไหลพวกเทระถีเหล่านั้นได้เป็นเช่นกับจอมปลวกแดงเท้ า, าสกกะทรงสั่งบังคับแม้วัดศะวาลาหกเทพบุตรว่าท่านจงให้หยาดน้ำเม็ดใหญ่ๆตก เทวบุตรนั้นได้ทำเหมือนอย่างนั้นแล้วทีนั้นกายของพวกเทรถีเหล่านั้นได้เป็นเช่นกับแม่โคด่างแล้วพวกเขาแตกหมู่กันหนีไปในที่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้านั่นเองเมื่อพวกเขาหนีไปอยู่อย่างนั้นชาวนาคนหนึ่งเป็นอุปถากของปุรณกัสปัคิดว่า บัดนี้เป็นเวลาทำปาฏิหาริย์แห่งพระผู้เป็นเจ้าของเราเราจากดูปาฏิหาริย์นั้นแล้วปล่อยโคถือหม้อยาคูและเชือกซึ่งตนนำมาแต่เช้าตรู่เดินมาอยู่เห็นปุรณะหนีไปอยู่เช่นนั้นจึงกล่าวว่าท่านขอรับผมมาด้วยหวังว่าจะดูปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้า พวกท่านจะไปที่ไหนปุรณะท่านจะต้องการอะไรด้วยปาฏิหารท่านจงให้หม้อและเชือกนี้แก่เราเขาถือเอาม่อและเชือกที่อุปถากนั้นให้แล้วไปยังฝั่งแม่น้ำเอาเชือกผูกหม้อเข้าที่คอของตนแล้วกระโดดลงไปในห่วงน้ำยังฝ่องน้ำให้ตั้งขึ้นอยู่ทํากาละ เกิดในอเวจีแล้วพระสัตย์ดาทรงเนรมิตจงกรมแก้วในอากาศที่สุดด้านหนึ่งของจงกรมนั้นได้มีขอบปากจักรวาลด้านปาจินทิศด้านทิศหนึ่งได้มีที่ขอบปากจักรวาลด้านปัจิมทิศพระสัตย์ดาเมื่อบริษัทมีประมาณ36โยอประชุมกันแล้ว ในเวลาบ่ายเสด็จออกจากพระกันทกุฎีด้วยทรงดำริว่าบัดนี้เป็นเวลาทำปาฏิหาริแล้วได้ประทับยืนที่หน้ามุกตอนสาวกสาวิการับอาสาทำปาฏิหารแทนครั้งนั้น อนาคามีอุบาสิกาคนหนึ่งผู้นันทมารดาชื่อครณีเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าเมื่อทิดาเช่นหม่อมฉันไม่อยู่กิจที่พระองค์ต้องลำบากย่อมไม่มีหม่อมฉันจักทาปาฏิหาริย์พระสัสดาครณี เธอจกทำอย่างไรกรณีพระเจ้าข้าหม่อมฉันจักทำแผ่นดินใหญ่ในห้องแห่งจักรวาลหนึ่งให้เป็นน้ำแล้วดำลงเหมือนนางนกเป็ดน้ำแสดงตนที่คอปากจักรวาลด้านทิศปาจีนที่ขอปากแห่งจักรวาลด้านปะจิมทิศอุตรทิศและทักษิณทิศก็เช่นนั้น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 ก็จากหนีไปด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกนางว่ากรณีเราย่อมทราบความที่เธอเป็นผู้สามารถทำปาฏิหารเห็นปานี้ได้แต่พวงดอกไม้นี้เขาไม่ได้ผูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอแล้วทรงห้ามเสียนางกรณีนั้นคิดว่าพระศาสดา ไม่ทรงอนุญาตแก่เราคนอื่นผู้สามารถทำปฏิหารยิ่งขึ้นไปกว่าเราจะมีแน่แท้ดังนี้แล้วได้ยืนอยู่นะที่ส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพระศ า, ศาสดาทรงดำริว่าคุณของสาวกเหล่านั้นจกปรากฏด้วยอาการอย่างนี้แหละทรงสำคัญอยู่ว่าพวกสาวกจากบรรลือสี่ขนาด นะทำกลางบริษัทมีประมาณ36โยิบโยด้วยอาการอย่างนี้จึงตรัสถามสาวกแม้พวกอื่นอีกว่าพวกเธอจกทําปาฏิหาริย์อย่างไรสาวกเหล่านั้นก็กราบทูลว่าพวกข้าพระองค์จกทําอย่างนี้และอย่างนี้พระเจ้าข้าแล้วยืนอยู่เฉพาะพระพักของพระศาสดานั่นแหละบัลลูสีหนาะ บรรดาสาวกเหล่านั้นได้ยินว่าท่านจุลอาณาถาปิณิกาคิดว่าเมื่ออนาคามีอุบาสกผู้เป็นบุตรเช่นเรามีอยู่กิจที่พระศาสดาต้องลำบากย่อมไม่มีจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพรงจากทมปาฏิหารถูกพระศาสดาตรักถามว่า เธอจกทาอย่างไรจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์จกักเนรมิตอัตภาพเหมือนพรมประมาณ12โยชนักปรบดุดดังการปรบแห่งพรมด้วยเสียงเช่นกับมหาเมฆกระหึ่มในท่ามกลางบริษัทนี้มหาชนจักถามว่านี่ชื่อว่าเสียงอะไรกันแล้วจะกล่าวกันเองว่า ในว่านี่ชื่อว่าเป็นเสียงแห่งการปรบดังพรมของท่านจุลอาณาถาปิทิกะพวกเดร ถ, ถีจับคิดว่าอนุภาพของคฤหบดียังถึงเพียงนี้ก่อนอนุภาพของพระพุทธเจ้าจากเป็นเช่นไรยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จกหนีไปปราสัสดาตรัเช่นนั้นเหมือนกัน แม้แก่ท่านจุละอนาถบิติกะนั้นว่าเราทราบอนุภาพของเธอแล้วไม่ทรงอนุญาตการทำปาฏิหารต่อมาสามเนรีชื่อว่าวีรามีอายุได้เจ็ดขวบบรรลุปฏิสัมพิทารูปหนึ่งถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าค่า หม่อมฉันจกทําปาฏิหาริย์พระสัสดาวีราเธอจะทําอย่างไรวีราพระเจ้าข้าหม่อมฉันจกนำภูเขาซิเนรุภูเขาจาักรวาลและภูเขาหิมพานตั้งเรียงไว้ในที่นี้แล้วจะออกจากภูเขานั้นๆไปไม่ขัดข้องดุดงหง มหาชนเห็นหม่อมฉันแล้วจักถามว่านั่นใครแล้วจะ ก, กล่าวว่าวีราสามเณรีพวกเดรถีคิดกันว่าอนุภาพของสามเณรีผู้มีอายุเจ็ดขวบยังถึงเพียงนี้ก่อนอนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จกักหนีไปเบื้องหน้า แต่นี้ไปพึงทราบคำเห็นป่านี้โดยทํานองดังที่กล่าวแล้วนั่นแลพระผู้มีพระภาคตรัสแม้แก่สามเณรีนั้นว่าเราทราบอนุภาพของเธอดังนี้แล้วก็ไม่ทรงอนุญาตการทำปาฏิหาริย์ลำดับนั้นสามเณรชื่อจุนทะผู้เป็นขีณาศพ บรรลุปฏิสัมพิทารูปหนึ่งมีอายุเจ็ดขวบแต่เกิดมาเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์จกทําปาติหารพระเจ้าข่าถูกพระาศาสดาตรัสถามว่าเธอจะทําอย่างไรจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข่าข้าพระองค์จะจับต้นว่าใหญ่ ที่เป็นธงแห่งชมพูทวีปที่ลำต้นแล้วเขยา่านําผลว่าใหญ่มาให้บริษัทนี้เคี้ยวกินและข้าพระองค์จักนําดอกแคฝอยมาแล้วถวายบังคมพระองค์พระศาสดาตรัสว่าเราทราบอนุภาพของเธอดังนี้แล้วก็ทรงห้ามการทําปาฏิหาริแม้ของสามเณร น, นั้น ลำดับนั้นพระเถรีชื่ออุบลวรรณถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าหม่อมฉันจกทำปาฏิหาริย์พระเจ้าข้าถูกพระศาสดาตรัสถามว่าเธอจกทำอย่างไรจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันจกแสดงบริษัทมีประมาณสิองโยต์โดยรอบเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ อันบริษัทมีประมาณ36โยดโดยกลมแวดล้อมแล้วมาถวายบังคมพระองค์พระสัสดาตรัสว่าเราทราบอนุภาพของเธอแล้วก็ทรงห้ามการทําปาฏิหาริแม้ของพระเถรีนั้นลำดับนั้นพระมหาโมคลานาเถรรักถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว กราบทุนว่าข้าพระองค์จกทาปาฏิหาริย์พระเจ้าค่าถูกพระศาสดาตรัสถามว่าเธอจะทำอย่างไรจึงกราบทูนว่าข้าพระองค์จกวางเขาหลวงชื่อสิเนรุไว้ในระหว่างฝันแล้วเคี้ยวกินภูเขานั้นดุดพืชเมล็ดผักกาดพระเจ้าข่าพระศาสดา เธอจะทำอะไรอย่างอื่นพระโมคคัลลานะข้าพระองค์จักม้วนแผ่นดินใหญ่นี้ดุดเสือลำแพนแล้วใส่เข้าไว้ในวงเล็บหนีบไว้ในระหว่างนิ้วมือพระศัสดาเธอจะทำอะไรอย่างอื่นพระโมคคัลลานะข้าพระองค์จักหมุนแผ่นดินใหญ่ ให้เป็นเหมือนแป้นหมุนภาชนะดินของช่างมอแล้วให้มหาชนเคี้ยวกินโอชะแผ่นดินพระศาสดาเธอจะทำอะไรอย่างอื่นพระโมกขลานนะข้าพรงจะทำแผ่นดินไว้ในมือเบื้องซ้ายแล้ววางสัตว์เหล่านี้ไว้ในทวีปอื่นด้วยมือข้างขวา พระสัสดาเธอจะทำอะไรอย่างอื่นประโมคคลานะข้าบรงจะทำเขาสิเนรุให้เป็นด้ามร่มยกแผ่นดินใหญ่ขึ้นวางไว้ข้างบนของภูเขาสิเนรุนั้นเอามือข้างหนึ่งถือไว้คล้ายภิกษุมีร่มในมือจงกลมไปในอากาศพระสัสดาตรัสว่า เราทราบอนุภาพของเธอดังนี้แล้วก็ไม่ทรงอนุญาตการทําปาฏิหารแม่ของพระเถระนั้นพระเถระนั้นคิดว่าเฉลอยพระศาสดาจะทรงทราบผู้สามารถทําปาฏิหารยิ่งกว่าเราจึงได้ยืนอยู่ณที่ส่วนข้างหนึ่งลําดับนั้นพระศาสดาตรัสกับพระเถระนั้นว่า โมกคลานะพวงดอกไม้นี้เขาไม่ได้ผูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอด้วยว่าเราเป็นผู้มีธุระที่หาผู้เสมอไม่ได้ผู้อื่นที่ชื่อว่าสามารถนำธุระของเราไปได้ไม่มีการที่ผู้สามารถนำธุระของเราไปได้ไม่พึงมีในบัตรนี้ไม่เป็นของอัศจรรย์ แม้ในการที่เราเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานที่เป็นอเหตุกะกำเนิดผู้อื่นที่สามารถนำธุระของเราไปก็ไม่ได้มีแล้วเหมือนกันอันพระเถราทูนถามว่าในการไรเล่าพระเจ้าข้าจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสกันหอุสภาชาดกนี้ ให้พิสดารว่ายะโตยะโตกรุธ ah ุรังยะโตคัมพีรวัตตนีตะดาสุกันหั่งยุนจันติสวาสุตังวะหเตธุรังธุระหนักมีอยู่ในการใดใดทางไปในที่ลุ่มลึกมีอยู่ในการใด ในการนั้นแหละพวกเจ้าของย่อมเทียมโคชื่อกันหะโคชื่อกันหะนั้นแหละย่อมนำธุระนั้นไปเมื่อจะทรงแสดงเรื่องนั้นนั่นแหละให้พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกจึงตรัสนันทวิสาลชาดกนี้ให้พิสดารว่ามะนาปเมวะพาเซ ย, ยะ นามนาปังกุดาจนังนงมาปังพาสมาณสสะกรุภารังอุดับบหิท่านจะนังอลาเพสิเตนะจัตตมนโนอหบุคคลพึงกล่าวคำเป็นที่พอใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำไม่เป็นที่พอใจในการไหนๆเพราะ เมื่อพรามกล่าวคำเป็นที่พอใจอยู่โคนันทวิสารเข็นพาระอันหนักไปได้ยังพรามนั้นให้ได้ทรัพย์และปรามนั้นได้เป็นผู้มีใจเบิกบานเพราะการได้ทรัพย์นั้นก็แลประศาสดาครั้นตรัดแล้วจึงสเสด็จขึ้นสู่จงกรมแก้วนั้นข้างหน้า ได้มีบริษัทประมาณ12โยธข้างหลังข้างซ้ายและข้างขวาก็เหมือนอย่างนั้นส่วนโดยตรงมีประมาณ24โยธพระผู้มีพระภาคได้ทรงทมยมกปฏิหารในถ้ำกลางบริษัทยมกปฏิหารนั้นบันดิตพึงทราบตามพระบาลีอย่างนี้ก่อนตอน ลักษณะของยมกปฏิหารยานในยมกปฏิหารของประตถาคตเป็นชไหนในยานนี้ประตถาคตทรงทายมกปฏิหารไม่ทั่วไปด้วยพวกสาวกท่อไฟพุ่งออกแต่พระกายเบื้องบนสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องล่างท่อไฟ พุ่งออกแต่พระกายเบื้องล่างสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องบนท่อไฟพุ่งออกแต่พระกายเบื้องหน้าสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องหลังท่อไฟพุ่งออกแต่พระกายเบื้องหลังสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องหน้าท่อไฟพุ่งออกแต่พระเนตรเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่พระเนตรเบื้องซ้าย ท่อไฟพุ่งออกแต่พระเนตรเบื้องซ้ายซายน้ำไหลออกแต่พระเนตรเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องพระกันเบื้องขวาซายน้ำไหลออกแต่ช่องพระกันเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องพระกันเบื้องซ้ายซายน้ำไหลออกแต่ช่องพระกันเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องพระนาสิกเบื้องขวา สายน้ำไหลออกแต่ช่องพระนาศิกเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องพระนาศิกเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่ช่องพระนาศิกเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่จงอยพระอังสะเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่จงอยพระอังสะเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่จงอยพระอังสะเบื้องซ้าย สายน้ำไหลออกจงงอยพระอังสะเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระหัตต์เบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่พระหัตต์เบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่พระหัตต์เบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่พระหัตต์เบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระปรหัดเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่พระปรหัดเบื้องซ้าย ท่อไฟพรุ่งออกแต่พระประหัดเบื้องซ้ายสายน้ําไหลออกแต่พระประหลัดเบื้องขวาท่อไฟพรุ่งออกแต่พระบาทเบื้องขวาสายน้ําไหลออกแต่พระบาทเบื้องซ้ายท่อไฟพรุ่งออกแต่พระบาทเบื้องซ้ายสายน้ําไหลออกแต่พระบาทเบื้องขวาท่อไฟพรุ่งออกแต่พระองคุลี สายน้ำไหลออกแต่ช่องพระองคุลีท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องพระองคุล SI. ีสายน้ำไหลออกจากพระองคุลีท <leich> well ่อไฟพุ่งออกแต่ขุมพระโลมาขุมหนึ่งขุมหนึ่งสายน้ำไหลออกแต่พระโลมาเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งท่อไฟพุ่งออกแต่พระโลมาเส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง สายน้ำไหลออกแต่ขุมพระโลมาขุมหนึ่งขุมหนึ่งรัศมีทั้งหลายย่ำเป็นไปด้วยสามารถแห่งสีหกอย่างคือเขียวเหลืองแดงขาวหงสะบาทประพัสสอนพระผู้มีพระภาคทรงจงกรมพระพุทธนิมิตย่ำยืนหรือนั่ง หรือสําเร็จการนอนในวงเล็บพระผู้มีพระภาคประทับยืนเประพุทธนิมิตย่อมจงกรมนั่งหรือสําเร็จการนอนพระผู้มีพระภาคประทับนั่งพระพุทธนิมิตย่อมจงกรมยืนหรือสําเร็จการนอนพระผู้มีพระภาคทรงสําเร็จสายากเประพุทธนิมิต ย่อมจงกรมยืนหรือนั่งพระพุทธนิมิตจงกรมพระผู้มีพระภาคย่อมทรงยืนประทับนั่งหรือสำเร็จสีหสายาธพระพุทธนิมิตทรงยืนพระผู้มีพระภาคย่อมทรงจงกรมประทับนั่งหรือทรงสำเร็จสีหสา ย, ยาธวงเล็บปิดพระพุทธนิมิต ประทับนั่งพระผู้มีพระภาคย่อมทรงจงกรมประทับยืนหรือสำเร็จศีหสาสยญาตพระพุทธนิมิตสำเร็จศีหาสยญาตพระผู้มีพระภาคย่อมทรงจงกรมประทับยืนหรือประทับนั่งนี้เป็นญาณในยมกปาฏิหาริย์ของพระตถาคตก็พระศาสดา สเสด็จจงกรมบนที่จงกรมนั้นได้ทรงทมปาฏิหาริย์นี้แล้วเพื่อจะแสดงเนื้อความนั้นว่าท่อไฟย่อมปลุ่งออกแต่พระกายเบื้องบนด้วยอานาจเตโชกสินสมบัติของพระศาสดานั้นสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องล่างด้วยอำนาจอาโปกสินสมบัติ ท่อไฟพุ่งออกแต่ที่ที่สายน้ำไหลออกแล้วอีกและสายน้ำก็ไหลออกแต่ที่ที่ท่อไฟพุ่งออกพระสารีบุตรเถระจึงกล่าวว่าเหติมักกายโตอุปริมักกายโตในในบททั้งปวงก็เช่นนี้ก็ในยมกปฏิหารนี้ ท่อไฟไมิได้เจื่อปนกับสายน้ำเลยอันหนึ่งสายน้ำก็มิได้เจือด้วยท่อไฟก็ในว่าท่อไฟและสายน้ำทั้งสองนี้พุ่งขึ้นไปตลอดถึงพรหมโลกแล้วก็ไหลาลามไปที่คอปากจักรวาลก็ปพราะเหตุที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่าชันนางวันนานางพรารสมี มีพันนะหกประการของพระศาสดานั้นรุ่งขึ้นไปจากห้องแห่งจั ก, กรวาลหนึ่งดุดทองคำคว้างซึ่งกำลังไหลออกจากเบา้าและดุดสายน้ำแห่งทองคำที่ไหลออกจากธนาญยนจดพรหมโลกแล้วก็ท้อนกลับมาจดคอปากจักรวาลตามเดิมห้องแห่งจั ก, กรวาลหนึ่งได้เป็นดุดเรือนต้นโพ ที่ตรึงไว้ด้วยสี่กรอนอันคดมีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันในวันนั้นพระศาสดาสเสด็จจงกรมทรงธรรมยมกปาฏิหาริย์แสดงธรรมกรถาแก่มหาชนในระหว่างระหว่างและเมื่อทรงสแสดงไม่ทรงธรร ม, มหาชนให้หนักใจประธานให้เบาใจยิ่งในขณะนั้น มหาชนยังสาธุการให้เป็นไปแล้วในเวลาที่สาธุการของมหาชนนั้นเป็นไปพระสัสดาทรงตรวจ ด, ดูจิตของบริษัทซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นได้ทรงทราบวารจิตของคนหนึ่งคนหนึ่งด้วยอำนาจอาการ16อย่างจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นไปเร็วอย่างนี้บุคคลใดๆเลื่อมใสในธรรมใด และในปาฏิหาริย์ใดพระศาสดาทรงแสดงธรรมและได้ทรงทมปาฏิหาริย์ด้วยอำนาจอัธยาศัยแห่งบุคคล น, นั้นๆเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมและทรงทมปาฏิหาริย์ด้วยอาการอย่างนี้ทำมาพิสมัยได้มีแก่มหาชนแล้วก็พระศาสดาทรงกาหนดจิตของพระองค์ ไม่ทรงเห็นคนอื่นผู้สามารถจะถามปัญหาในสมาคมนั้นจึงทรงเนรมิตรพระพุทธนิมิตพระศาสดาทรงเฉลยปัญหาที่พระพุทธนิมิตนั้นถามแล้วพระพุทธนิมิตนั้นก็เฉลยปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามแล้วในเวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงจงกรมพระพุทธนิมิตสำเร็จอิริยาบถ มีการยืนเป็นต้นอย่างได้อย่างหนึ erm 25, ans, ่งในเวลาที่พระพุทธนิมิตจงกลมพระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จพระอิริยาบถมีการประทับยืนเป็นต้นอย่างได้อย่างหนึ่งเพื่อจะแสดงเนื้อความนั้นพระธรรมสังคาหกาจาร์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าพระพุทธนิรมิตย่อมจงกรมบ้างเป็นต้น ธรมมาพิสมัยได้มีแก่สักยี่สิบโกรในสมาคมนั้นเพราะเห็นปาฏิหาริของพระสัสดาผู้ทรงธรรมอยู่อย่างนั้นและเพราะได้ฟังธรรมกาถาตอนพระสัสดาสเสด็จจำพรรษาชั้นดาวดึงพระสัสดากำลังทรงธ ร, รมปาฏิหาริอยู่นั่นแล ทรงรำพึงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายทำปาฏิหาริย์แล้วจำพรรษาที่ไหนหนอแหลทรงเห็นว่าจำพรรษาในภพดาวดึงแล้วทรงแสดงอภิธรรมปิดกแก่พระพุทธมา ด, ดาดังนี้แล้วทรงยกประบาดขวาเหยียบเนื้อยอดภูเขายุขันธรทรงยกประบาดอีกข้างหนึ่ง เยียบเหนือยอดเขาสิเีรูวาระที่ย่างพระบาท39ได้มีมาแล้วในที่68แสนโยน์อย่างนี้ช่องพระบาทสองช่องได้ทางออกเช่นเดียวกันกันกบการย่างพระบาทตามปกติใครๆไม่พึงกำหนดว่าพระศาสดาทรงเหยียบพระบาทเหยียบแล้ว เพราะในเวลาที่พระองค์ทรงยกพระบาทนั่นแหละภูเขาเหล่านั้นก็มาสู่ที่ใกล้พระบาทรับไว้แล้วในเวลาที่พระศาสดาทรงเหยียบแล้วภูเขาเหล่านั้นก็ได้ตั้งประดิษฐานในที่เดิมทาวสกาดท้าพระเนตเห็นพระศาสดาแล้วทรงดําบิริว่าพระศาสดาจกทรงเข้าจาพรรษานี้ ในถ้มกลางบรรทุกกำพลศิลาอุปการะจักมีแก่เหล่าเทพดามมากหนอแต่เมื่อพระสัส ด, สดาทรงจำพรรษาที่นี่เทพดาอื่นๆจักไม่อาจหยุดมือได้ก็แลบรรทุกกำพลศิลาอาจนี้ยาว60โยตร์กว้างห0โยตร์หนา15โยตร์ แม้เมื่อพระศัสดาประทับนั่งแล้วก็คงคล้ายกับว่างเปล่าพระศรัสดาทรงทราบอัตยาสัสของเท้าเธอทรงโยนสังคาติของพระองค์ไปให้คลุมพื้นศิลาแล้วเทา้าสกัดทรงดำริว่าพระศรัสดาทรงโยนจีวรมาให้คลุมไว้ก่อนก็พระองค์จักประทับนั่งในที่ดินหน่อยด้วยพระองค์เอง พระศ า, าสดาทรงทราบอธัธยาศัยของเท้าเธอจึงประทับนั่งทำบรรทุกกมพลศิลาไว้ภายในขนดจีวร น, นั่นเองประหนึ่งภิกษุผู้ทรงผ้ามหาบังสุกุลทำตัางเตี้ยไว้ภายในขนดจีวรฉะนั้นขณะนั้นแม้มหาชนแลดูพระศาสดาอยู่ก็ไม่ได้เห็นการนั้น ได้เป็นประหนึ่งเวลาพระจันทร์ตกและได้เป็นเหมือนเวลาพระอาทิตย์ตกมหาชนคร่ำครวญกล่าวคาถานี้ว่าก no ระโตนุจิตกูตังวาเกลาสร้างวายุขันธรังนโนดักเขมุสัมบุตังโลกเชตังนราสพังประศาสดาเสด็จไปสู่เขาจิตกูฏ หรือสู่เขาไก่ลาดหรือสู่เขายุคันทรเราทั้งหลายจึงไม่เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้โลกเชิผู้ประเสริฐกว่านระอีกพวกหนึ่งกำลังคร่ำครวญว่าชื่อว่าพระศาสดาทรงยินดีแล้วในวิเวกพระองค์จักเสด็จไปสู่แคว้นอื่นหรือชนบทอื่นเสียแล้ว พะทรงละอายว่าเราทําปาฏิหาริเห็นป่านนี้แกบริษัทเห็นป่านนี้บัดนี้เราทั้งหลายคงไม่ได้เห็นพระองค์ดังนี้กล่าวคาถานี้ว่าปวิเวกระโตทีโรนิมังโลกังปูเนหิตินโนดักเฆโมซัมบุตังโลกเจตทังนราสพัง พระองค์ผู้เป็นปราชทรงยินดีแล้วในวิเวกจากไม่เสด็จกลับมาโลกนี้อีกเราทั้งหลายจะไม่เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้โลกเชิผู้ประเสริฐกว่านรกดังนี้ชนเหล่านั้นถามพระมหาโมคคลานาว่าพระศาสดาเสด็จไปที่ไหนขอรับท่านแม้ทราบอยู่เอง ก็ยังกล่าวว่าจงถามพระอนุรุธทธะเถิดด้วยมุ่งหมายว่าคุณแม้ของสาวกอื่นๆจงปรากฏดังนี้ชนเหล่านั้นถามพระเถระอย่างนั้นว่าพระศาสดาเสด็จไปที่ไหนขอรับพระอนุรุทธะเสด็จไปจำพรรษาที่บรรทุกกรรมพลศิลาอารดในภพดาวดึง แล้วทรงแสดงอภิธรรมปีดกแก่พระมันดามหาชนจากเสด็จมาเมื่อไรขอรับพระอนุรุทธะทรงแสดงอภิธรรมปีดกตลอดสามเดือนแล้วจากเสด็จมาในวันมหาประวรณาชนเหล่านั้นพูดกันว่าพวกเราไม่ได้เห็นพระศาสาดาจาักไม่ไป อย่างนี้แล้วทําที่พักอยู่แล้วในที่นั้นนั่นเองได้ยินว่าชนเหล่านั้นได้มีอากาศนั่นเองเป็นเครื่องมุงเครื่องบงังชื่อว่าเหงื่อที่ไหลออกจากตัวของบริษัทใหญ่ถึงเพียงนั้นมิได้ปรากฏแล้วแผ่นดินได้แหวกช่องให้แล้วพื้นแผ่นดินในที่ทุกแห่งได้เป็นที่สะอาดทีเดียว พระศาสดาได้ตรัสสั่งพระมหาโมคคลานะไว้ก่อนทีเดียวว่าโมคลานะเธอพึ้แสดงธรรมแก่บริษัทนั่นจุฬาณาธิกะจักให้อาหารเพราะเหตุนั้นจุฬาณาธิกะแลได้ให้แล้วซึ่งข้าวต้มข้าวสวยของเคี้ยวหมากพลูของหอมระเบียบและเครื่องประดับ แกบริษัทนั้นทุกเวลาทั้งเช้าและเย็นตลอดไตรมาสนั้นพระมหาโมคคลานะแสดงธรรมแล้ววิสัชนาปัญหาที่เหล่าชนผูม้มาแล้วมาแล้วเพื่อดูปฏิหารถามแล้วตอนพระสัมพุทธเจ้าัยโรธล่วงเหล่าเทวดาเทวดา ในหมื่นจักรวาลแวดล้อมแม้พระศาสดาผู้ทรงพรรษาที่บรรทุกกำพลศิลาเพื่อทรงสดแสดงอภิธรรมแก่พระมารดาเหตุนั้นพระธรรมสังคาหากาจาร์จึงกล่าวว่าตาวติ่งเซยดาบุทโธทศิลายังปันดุกัมบะเลปาริชัตตะกะมูลมหิวิหัสิปุริสุตตะโม ดะสาสุโลกาาตุสุสันนิปติตวานเดวตาปยิรุปาสันติสัมบุธังวัสันตังนกมุธนินโกโจิเดววันเนะสัมบุทตทศวิโรจติสับเบเดเวอติกกมะสัมบุตโทวะวิโรจติในการใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นยอดบุรุษ ประทับอยู่เหนือบรรทุกกำพลศิลานกวงไม้ปาริชตกะในพบดาวดึงในการนั้นเทปดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุประชุมพร้อมกันแล้วเข้าเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าผู้ประทับอยู่บนยอดเขาเทปดาองค์ไหนไหนก็หาภัยโรดกว่าพระสัมพุทธเจ้าโดยวัร น, นะไม่ พระสัมพุทธเจ้าเท่านั้นย่อมภโรธล่วงปวงเทพดาทั้งหมดก็เมื่อพระศาสดานั้นประทับนั่งครอบงาเทพดาทุกหมู่เหล่าด้วยรัสมีพระสรีราของพระองค์อย่างนี้พระพุทธมารดาเสด็จมาจากวิมานชันดุสิตประทับนั่งณพระปรตเบื้องขวาแม้อินทกะเทพบุตรก็มานั่งณนะ พระปรัตเบื้องขวาเหมือนกันอังกุราเทพบุตรมานั่งณนะพระปรัตเบื้องซ้ายอังกุราเทพบุตรนั้นเมื่อเทพดาทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่ประชุมกันร่นออกไปแล้วได้โอกาสในที่มีประมาณสิบสองโยชนทกกาดเทพบุต์นั่งในที่นั่นเองพระศาสดาทอดพระเนตรดูเทพบุต์ทั้งสองนั้นแล้ว มีพระประสงค์จะยังบริษัทให้ทราบความที่ทานอันบุคคลถวายแล้วแก่ทักกินายบุคคลในาศาสนาของพระองค์เป็นกุศลมีผลมากจึงตรัสอย่างนี้ว่าอังกุระเธอทำแถวเตาไฟยาวส2บสองโยให้เป็นทานเป็นอันมากในการประมาณหมื่นปีซึ่งเป็นระยะการนาน บัดนี้เธอมาสู่สมาคมของเราได้โอกาสในที่ไกลตั้งสิบสองโยชน์ซึ่งไกลกว่าเทพประบุตรทั้งหมดอะไรหนอแลเป็นเหตุในข้อนี้แท้จริงพระธรรมสังฆาหากาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าโอโลเกตวาณัสมพบุโทโธ อังกูรันจาปิอินทกังทักกีเนยังประภาเวโตอิดังวัจนามันระวิมหาดานังตยาดินนังอังกูระดีขมันตะเรอติดูเรนิสินโนสิอาคัตชังมะมะสันติกังพระสัมพุทธาทอดพระเนตรอังกูรเทพบุตรและอินทกะ เทพบุตรแล้วเมื่อจะทรงยกย่องทักกินายบุคคลได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าอังกุระเธอให้ทานเป็นอันมากในระหว่างกาลนานเธอเมื่อมาสู่สำนักของเรานั่งเสียไกลลิบตอนพระศาสดาตรัสได้ยินถึงมนุษยโล พระสุรเสียงนั้นดังถึงพื้นประตีบริษัททั้งหมดนั้นได้ยินพระสุรเสียงนั้นเมื่อพระศาสดาตรัสอย่างนั้นแล้วังกุรเทพประบุอันพระศาสดาผู้มีพระองค์อันอบรมแล้วตรัสเตือนแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าโจดิโตพาวิตเตนะังกุโรเอตมํมรวิ กิงมมยหั่งเตนดาเนนะดักิีนยเยนะสุญญะตังอายังโซอินดโกยโคดจานดานังปริตตกังอติโรจติอัมเหหิจันโดตารกณนยาท่า้าปรงจกต้องการอะไรด้วยทานอันว่างเปล่าจากทักินยบุคคล ยักชื่ออินทกะนี้นั้นถวายทานแล้วนิดหน่อยอย่างรุ่งเรืองยิ่งกว่าข้าพระองค์ดุจพระจันทร์ในหมู่ดาวบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทัชาแก้เป็นตัตวาแปลว่าให้แล้วเมื่ออังคุราเตพบุตรกราบทูลอย่างนั้นแล้ว พระศาสดาตรัสกับอินทกะเทพบุตรว่าอินทกะเธอนั่งข้างขวาของเราเนไหนจึงไม่ต้องร่นออกไปนั่งเล่าอินทกะเทพบุะบุกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระงได้ทักกินเนยสมบัติแล้วดูดชาวนาหวานพืชนิดหน่อยในนาดีดังนี้แล้วเมื่อจะประกาศทักกินเนยบุคคล จึงกราบทูลว่าอุดยังกะเลยาธาเกตเตบีชังบาหุงปิโรปิตังณพลังวิปุลังโหติณปิโตเซติกัสกังตาเทวดานังบาหุกังดุสิเลสุปติถิตังณพลังวิปุลังโหติณปิโตเซติไดยากังยาธาปิพัตตะเกเกตเต บีชังอปัมปิโรปิตังสัมมาทารังปเวชันตังพลังโตเซติกัสกังตเทวะซีละวันเตสุกุณาวันเตสุตาดิสุอัปเกปิกเตกาเรพลังโตเซติดายกังพืชแม้มากอันบุคคลหวัดนแล้วในนาดอนผลย่อมไม่ไปบู์ ทั้งไม่ยังชาวนาให้ยินดีฉันใดถานมากมายอันบุคคลตั้งไว้ในหมู่ชนผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูนทั้งไม่ยังทายกให้ยินดีฉันนั้นเหมือนกันพืชแม่เล็กน้อยอันบุคคลหว่านแล้วในนาดีเมื่อฝนหลังสายน้ำถูกต้องตามการผลก็ย่อมยังชาวนาให้ยินดีได้ฉันใด เมื่อส ก, การะแม้เล็กน้อยอันทายกทำแล้วในเหล่าท่านผู้มีศีลผู้มีคุณคงที่ผลก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้ฉะนั้นเหมือนกันตอนท่านที่ให้ในทักกินยบุคคลมีผลมากถามว่าก็บุรพกรรมของอินทกะเทพประบุรนั้น เป็นอย่างไรแกว่าได้ยินว่าอินทกาเทพบระบุนั้นได้ให้ถวายภิกษาทัพีหนึ่งที่เขานำมาแล้วเพื่อตนแกพระอนุรุทธเถระผู้เข้าไปบิณฑบาตภายในบ้านบุญของเธอนั้นมีผลมากกว่าทานที่อังกุรเทพบระบุทำแถวเตาไฟยาวตั้งสิบสองโยชนให้แล้วตั้งหมื่นปี ปราะเหตุนั้นอินทกะเทพบุตรจึงกราบทูลอย่างนั้นเมื่ออินทกะเทพบุตรกราบทูลอย่างนั้นแล้วพระศาสดาตรัสว่าอังกุระการเลือกเสกอดแล้วให้ทานจึงควรทานนั้นย่อมมีผลมากด้วยอาการอย่างนี้ดุูพืชที่เขาหว่านดีในานานดีฉะนั้น แต่เธอหาได้ทำอย่างนั้นไม่เหตุนั้นทานของเธอจึงไม่มีผลมากเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้ให้แจมแจ้งตรัสว่าวิเจยยะดานังดา้าตะบังยัตถดินนังมหาพลังวิเจยยะดานังสุขตับประสัดทั่งเยดักกิเนยาอิทะชีวะโลเก เอเตสุดินนานิมหผลานิบีชานิวุตตานิยทธาสุขิเตทานอันบุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากบุคคลพึงเลือกให้ทานในเขตนั้นการเลือกให้อันพระสุคตทรงสรรเสริญแล้วทานที่บุคคลให้แล้วในทักขินนยบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก คือหมู่สัตว์ที่ยังเป็นอยู่นี้มีผลมากเหมือนพืชที่บุคคลหวาดแล้วในนาดีฉะนั้นเมื่อทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าตินะโดสานิเขตตานิรา迦โดสะออยังประจาตัสมาหิวิตราเยสุดินังโคติมหาพลัง ติณะโดซานิเขตานิโดสะโดซะอายังปจาตัสมาหิวีตาโดเซสุดินนังโหติมหาพลังติณะโดซานิเขตานิโมหะโดซะอายังปจาตัสมาหิวีตาโมเฮสุดินนังโหติมหาพลังติณะโดซานิเขตานิอิช่าโดซา ออยางปยาทัสมาหิวิคติเชสุดินนางโหติมหพลังนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายมูสัตว์มีราคะเป็นเครื่องประทุษร้ายเพราะเหตุ น, นั้นแลฐานที่บุคคลให้แล้วในท่านที่มีราคะไปปราดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมาก นาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื hmm. uh ่องประทุษร้ายหมูสัตว์นี้มีโทสะเป็นเครื่องประทุษร้ายเพราะเหตุนั้นและทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้มีโทสะไปปรัดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายหมูสัตว์นี้มีโมัะเป็นเครื่องประทุษร้าย เ <Huh. S 2> พราะเหตุนั้นแลทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้มีโมหะไปปรัดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีอยากเป็นเครื่องประทุษร้ายมูสัตตนี้มีความอยากเป็นเครื่องประทุษร้ายเพราะเหตุนั้นแลทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้มีความอยากไปปรัดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมาก ในการจบเทศนาอังคุรเทพบุตรและอินทกะเทพบุตรดำรงอยู่แล้วในโซดาปฏิผลธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้วตอนพระศาสดาเสด็จไปโปรดพระมารดาชันดาวดึงลำดับนั้น พระศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางเทวบริษัททรงปรารบพระมารดาเริ่มตั้งอภิธรรมปีดกว่ากุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอัิยากตาธรรมมาดังนี้เป็นต้นทรงแสดงอภิธรรมปีดกโดยในนี้เรื่อยไปตลอดสามเดือนก็แลทรงแสดงธรรมอยู่ ในเวลาพิกษาจารย์ทรงเนรมิตรพระพุทธเนรมิตรด้วยทรงอธิษฐานว่าพุทธเนรมิตรนี้จงสดแสดงธรรมชื่อเท่านี้จนกว่าเราจะมาแล้วเสด็จไปป่าหิมพานต์ทรงเคี้ยวไม้สีฟันชื่อนากละดาบวนประโถธที่สะนโนดาดนำบินทบาท มาแต่อุตรกุรุทวีได้ประทับนั่งทำพัฒกิจในโรงกว้างใหญ่แล้วพระสารีบุตรเถระไปทำวัดแด่พระศาสดาในที่นั้นพระศาสดาทรงทำพัตกิจแล้วตรัสแก่พระเถระว่าสารีบุตรวันนี้เราพาสิทธรรมชื่อเท่านี้เธอจงบอกแก่ภิกษุห้าร นิสิตของตนได้ทราบว่ากุลบุตรห้าร้อยเลื่อมใสในยมกปฏิหารบวชแล้วในสำนักของพระเถ ร, ระประศาสดาตรัสแล้วอย่างนั้นทรงหมายเอาภิกษุเหล่านั้นก็แลกรันตรัสแล้วเส ด, ด็จไปสู่เทวโลกทรงแสดงธรรมเอง ต่อจากที่พระพุทธนิรมิตแสดงแม้พระเถระก็ไปแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่ในเทวโลกนั่นแลได้เป็นผู้ชำนาญในปรกรเจ็แล้วได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสภิกษุเหล่านั้นเป็นข้างขาวหนู ห่อยอยู่ที่เงื้อมแห่งหนึ่งเมื่อประเถระสองรูปจงกลมแล้วท่องอภิธรรมอยู่ได้ฟังถือเอานิมิตในเสียงแล้วข้างขาวเหล่านั้นไม่รู้ว่าเหล่านี้ชื่อว่าขันเหล่านี้ชื่อว่าธาดด้วยเหตุสักว่าถือเอานิมิตในเสียงเท่านั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว เกิดในเทวโลกเสวยที่พยะสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่งจุติจากเทวโลกนั้นแล้วเกิดในเรือนตระกูลในกรุงสาวัตถีเกิดความเลื่อมใสในยมกปฏิหารบวชในสำนักของพระเถระแล้วได้เป็นผู้ชำนาญในปรกรณ์เจ็ดก่อนกว่าภิกษุทั้งปวงแม้พระศาสดา ก็ได้ทรงแสดงอภิธรรมโดยทํานองนั้นนั่นแหลตลอดสามเดือนในการจบเทศนาธรรมปาพิสมัยได้มีแก่เทวดาแปด0มืนโกดแม้พระมหามายาก็ตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิผลตอนพระโมคคลาดนาเถระขึ้นไปทูลถามข่าวเสด็จ บริษัทมีปริมณฑล36โยชน์แม้นั้นแหละคิดว่าแต่บัดนี้ไปในวันที่เจ็กจะเป็นวันมหาปวรณนาแล้วเข้าไปหาพระมหาโมคคลานถิยระกล่าวว่าท่านเจ้าข้าควรจะทราบวันเสด็จลงของพระสัสดาเพราะข้าพเจ้าทั้งหลาย ไม่เห็นพระศาสดาแล้วจักไม่ไปท่านพระมหาโมคคลานะฟังถ้อยคำนั้นแล้วรับว่าดีละ่ะแล้วดำลงไปในแผ่นดินตรงนั้นเองอธิษฐานว่าบริษัทจงเห็นเราผู้ไปถึงเชิงเขาซิเนรุแล้วขึ้นไปอยู่มีรูปปรากฏตุดได้กําพลเหลืองที่ร้อยไว้ในแก้วมณีเที่ยว ขึ้นไปแล้วโดยถ้ำกลางเขาสิเนรุแม้พวกมนุษย์ก็ลเห็นท่านว่าขึ้นไปแล้วโยดหนึ่งขึ้นไปแล้วสองโยดเป็นต้นแม้พระเจริรัขึ้นไปถวายบังคมพระบาทยุคนของพระศาสดาดุดเถินไว้ด้วยเสียงกล่าวกราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าข้า บริษัทประสงค์จะเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วไปพระองค์จกเสด็จลงเมื่อไหร่พระสัสดาโมกขลานะก็สารีบุตรพี่ของเธออยู่ที่ไหนพระโมคขลานะพระเจ้าข้าท่านจำพันษาอยู่ในสังกัดสานนครพระสัสดาโมกขลานะในวันที่เจ็ด แต่วันนี้ไปเราจะลงที่ประตูเมืองสังกัดสะในวันมหาปวารณาผู้ใครจะพบเราก็จงไปที่นั้นเถิดก็แลสังกัดสานครจากกรุงสาวัตถีมีประมาณ30โยชน์ในทางเท่านี้กิจที่จะต้องเตรียมสเสบียงย่อมไม่มีแก่ใครๆเธอพึงบอกแก่คนเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้รักษาอุโบสถไปดุดไปสู่วิหารใกล้เพื่อฟังธรรมเถิดตอนพระองค์ทรงเปิดโลกพระเถรรักทูลว่าดีละพระเจ้าข่าแล้วได้บอกตามรับสั่งพระศ า, าสดาสเสด็จจำพรรษา พวณาแล้วตรัส บ, บอกแก่เท้าสักกะว่ามหาปุพีธอาตมภาพจะไปสู่ถิ่นมนุษย์เท้าสกาวทรงนิรมิตบันไดาสามชนิดคือบันไดทองคําบันไดแก้วมณีบันไ ด, นนดเงินเชิงบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วที่ประตูสังกสานครหัวบันไดเหล่านั้น ตั้งอยู่แล้วที่ยอดเขาซิเนรุในบรรดเหล่านั้นบรรดทองได้มีในข้างเบื้องขวาเพื่อพวกเทวดาบรรดเงินได้มีในข้างเบื้องซ้ายเพื่อมหาพรหมทั้งหลายบรรดแก้มณีได้มีใน่้มกลางเพื่อพระตถาคต พระศาสดาประทับยืนอยู่บนยอดเขาสิเนรุทรงทำย ม, มกปาฏิหารในการที่เสด็จลงจากเทวโลกทรงแลดูข้างบนแล้วสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วทั้งหลายได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงปรมโลกทรงแลดูข้างล่างสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้ว ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงเอเวจีทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงทั้งหลายจักรวาลหลายแสนได้มีเนินเป็นอันเดียวกันเทวดาเห็นพวกมนุษย์แม้พวกมนุษย์ก็เห็นพวกเทวดาพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างเห็นกันแล้วเฉพาะหน้าที่เดียวพระผู้มีพระภาค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 เสด็จลงทางบันไดแก้มณีเทพบุตรนักฟอ้อนชื่อปัญจสิกขาถือพินสีเหลืองดุดผลมะตูมยืนอยู่ณนะข้างเบื้องขวาทำบูชาด้วยการฟอร้อนแด่พระศาสดาลงมามาตาลิสังคาหกเทพบุตร ย, ยืนนักข้างเบื้องซ้ายถือของหอมระเบียบและดอกไม้อันเป็นทิพย์ นำ้ำมัสการอยู่ทำบูชาแล้วลงมาเท้ามหาพรหมกั้นฉัดเท้าสุยามะถือพัดวาลวีชนีพระศ า, าสดาเสด็จลงพร้อมด้วยบริวานี้หยุดประทับอยู่ที่ประตูสังกัดสานนครแม้พระส า, ารีบุตรเถระมาถวายบังคมพระศาสดาแล้ว เพราะพระศาสดาเสด็จลงด้วยพุทธสิริเห็นป่านนั้นอันท่านไม่เคยเห็นแล้วในการก่อนแต่นี้เพราะฉะนั้นจึงประกาศความยินดีของตนด้วยคาถาทั้งหลายเป็นต้นว่านะเมดิโตอิติ ป, ปเปนะสุโตอุรกกัสจิเอวังวคุดโดสัทธาตุสิตามณิมาเกโต พระสัสดาผู้มีถ้อยคําอันไพเราะทรงเป็นอาจารย์แห่งคณ ะ, สะเสด็จมาจากดุสิตอย่างนี้เรายังไม่เห็นหรือไม่ได้ยินต่อใครๆในการก่อนแต่นี้แล้วทูลว่าพระเจ้าข้าวันนี้เทวดาและมนุษย์แม้ทั้งหมดย่อมกระยิมปรารถนาต่อพระองค์ ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกัดท่านว่าสารีบุตรชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณเห็นป่านนี้ย่อมเป็นเทียรักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าเยชานับปสุตาทีราในข้ามมูปะสะเมรตา เดวาปิเตสังหายันติสัมบุทธานังสติมะตังพระสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราฏขวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบด้วยสามารถแห่งการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ยอมกระยิมต่อพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติ ตอนแก้อัดเบนดาบทเหล่านั้นสองบทว่าเยชานัปปสุตาความว่าประกอบแล้วขวนขวายแล้วในฌานสองอย่างเหล่านี้คือลักคนูปนิชานอารัมมนูปนิชานด้วยอันนึกอันเข้าอันอธิษฐานอันออกและ อันพิจารณาบรรพชาอันผู้ศึกษาไม่พึงถือว่าเนคขมะในคำว่าเนคขมูปสเมรตานี้ก็คำว่าเนคขมะนั้นพระองค์ตรัสหมายเอาความยินดีในนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบกิเลสบทว่าเดวาปิความว่า เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิ่มคือปรารถนาต่อพระสัมพุทธเหล่านั้นบทว่าสติมตังความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาความเป็นพระพุทธว่าหน้าชมจริงหนอแม้เราพึงเป็นพระพุทธดังนี้ชื่อว่าย่อมกระยิ่มต่อพระสัมพุทธ เหล่านั้นผู้มีพระคุณหินป่านนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยสติในการจบเทสนาธรรมพิสมัยได้มีแก่สัตว์ประมาณ30โกดภิกษุ500ผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระเถระตั้งอยู่แล้วในพระรหัสตอนสังกสานคร เป็นที่เสด็จลงจากดาวดึงได้ยินว่าการทำยมกปฏิหารแล้วจำพรรษาในเทวโลกแล้วเสด็จลงที่ประตูสังกสานครอันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละแล้วแลก็สถานที่พระบาทเบื้องขวาประทิสถานที่เสด็จลงนั้นมีนามว่า อา จ, จะละเจติยสถานพระศาสดาประทับยืนณนที่นั้นตรัสถามปัญหาในวิสัยของปุถุชนเป็นต้นพวกปุถุชนแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระโสดาบันได้พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นก็เหมือนกัน ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระสกทาคามีเป็นต้นพระมหาสาวกที่เหลือไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมคลานะพระมหาโมคลานะไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระสารีบุตรเถระได้แม้พระสารีบุตรเถระ ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันพระศาสดาทรงแลดูทิศทั้งปวงตั้งต้นแต่ปาจินทิศสถานที่ทั้งปวงได้มีเนินเป็นอันเดียวกันทีเดียวเทวดาและมนุษย์ในแปดทิศและเทวดาเบื้องบนจดพรมมโลกและยักษ์นาคและสุบัน ผู้อยู่นัภาคพื้นเบื้องต่ำประคองอัญชิีกราบทูลว่าพระเจ้าข้าชื่อว่าผู้วิสัชนาปัญหานี้มิได้มีในสมาคมนี้ขอพระองค์โปรดไกรครวญในสมาคมนี้ทีเดียวตอนพระสารีบุตรเถระมีปัญญามากพระสาทสดา ทรงดำริว่าสารีบุตรย่อมลำบากด้วยว่าเธอได้ฟังปัญหาที่เราถามแล้วในพุทธวิสัยนี้ว่าเยาจะสร้างฆ่าตธรรมมาเซยาเยจะเสกฆ่าปุทุอิทะเตสร้างเมนิปกโกอิริยังปุทโอปะบรุหิมาริซาดูก่อน ท่านผู้นิรทุกเธอมีปัญญารักษาตนอันเราถามถึงความเป็นไปของท่านผู้มีธรรมอันนับพร้อมแล้วทั้งหลายและพระเสรขาดทั้งหลายซึ่งมีอยู่มากในโลกนี้จงบอกความเป็นไปนั้นแก่เราดังนี้เป็นผู้หมดความสงสัยในปัญหาว่าพระศ า, าสดาย่อมตรัสถามถึง ปฏิปทาเป็นที่มาของพระเสขะและอเสขะกัเราดังนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังหวังอัธยาศัยของเราอยู่ว่าเราเมื่อกล่าวปฏิปทานี้ด้วยมกไหนในธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นจึงจะอาจถือเอาอัธยาศัยของพระศาสดาได้สารีบุตรนั้น เมื่อเราไม่ให้ในายจกไม่อาจแก้ได้เราจักให้ในายแก่เธอเมื่อจะทรงแสดงนายตรัสว่าสารีบุตรเธอจงพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี้ได้ยินว่าพระองค์ได้ทรงตําริอย่างนี้ว่าสารีบุตรเมื่อถือเอาอัธยาศัยของเราแก้จะแก้ด้วยสามารถแห่งขัน ปัญหานั้นปรากฏแก่พระเถระตั้งร้อยในพันในพร้อมกับการประทานในท่านตั้งอยู่ในในที่พระศาสดาประธานแก้ปัญหานั้นได้แล้วได้ยินว่าคนอื่นยกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียชื่อว่าสามารถเพื่อจะทันปัญญาของพระสารีบุตรเถร ะ, ระหามิได้ในว่า เหตุนั้นแหลพระเถระจึงยืนตรงพระพักพระศาสดาบรรลือสีขนาดว่าพระเจ้าข้าเมื่อฝนตกแม้ตลอดกับทั้งสิน้นข้าพระองค์ก็สามารถเพื่อจะนับแล้วยกขึ้นซึ่งคะแนนว่าหยาดทั้งหลายตกในมหาสมุทรเท่านี้หยาดตกบนแผ่นดินเท่านี้หยาดบนภูเขาเท่านี้หยาด แม้พระศาสดาก็ตรัสกับท่านว่าสารีบุตรเราก็ทราบความที่เธอสามารถจะนับได้ชื่อว่าข้ออุปมาเปรียบด้วยปัญญาของท่านนั้นย่อมไม่มีเหตุนั้นแลท่านจึงกราบทูลว่าคังกายะวาลุกาขี้เยอุดกังขี้เยมหันนาเว มหิยามัตติกาขี้เยลักเณมะมะบุตธธิยาสายในแม่น้ำคงคาพึงสิ้นไปน้ำในห่วงน้ำใหญ่พึงสิ้นไปดินในแผ่นดินพึงสิ้นไปการแก้ปัญหาด้วยความรู้ของข้าพระองค์ย่อมไม่สิ้นไปด้วยคะแนน มีคำอธิบายไว้ดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้เป็นที่พึ่งของโลกก็ถ้าว่าเมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาข้อหนึ่งแล้วบุคคลพึงใส่ทรายเมล็ดหนึ่งหรือหยาดน้ำหยาดหนึ่งหรือดินร่วนก้อนหนึ่งเมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาร้อยหรือพันหรือแสนข้อ พึ่งใส่คะแนนทั้งหลายมีทายเป็นต้นทีละหนึ่งและหนึ่งณส่วนข้างหนึ่งในแม่น้ำคงคาคะแนนทั้งหลายมีทายเป็นต้นในแม่น้ำคงคาเป็นต้นพึงถึงความสิ้นไปเร็วกว่าการแก้ปัญหาของฆ้าพระงย่อมไม่สิ้นไปภิกษุแม้มีปัญญามากอย่างนี้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 ผู้เป็นธรรมเสนาบดีผู้เดียวเท่านั้นแก้ปัญหานั้นได้พระศัสดาทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วตรัสว่าสารีบุตรแก้ปัญหาที่มหาชนไม่สามารถจะแก้ได้ในบัดนี้เท่านั้นหาไม่ได้แม้ในการก่อนเธอก็แก้แล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนําอดีตนิทานมา ตรัชชาดกนี้โดยพิสดารว่าปโรสหัสสังปิสมาเกตานังกันเด ย, ยุเตวัสสตังอปัญญาเอโกวัซโยปุริโซสปัญโยโยพาสิตัสสะวิญญาณาติอัตถังคนที่มาประชุมกันแล้วแม้ตั้งพันเป็นกำหนดคนเหล่านั้น หาปัญญามิได้พึงคร่ำครวญตั้งร้อยปีบุรุษผู้ใดรู้ชัดซึ่งอัาแห่งภาษิตได้บุรุษผู้นั้นซึ่งเป็นผู้มีปัญญาคนเดียวเท่านั้นพระเสดิฐกว่าดังนี้แลเรื่องยมกปาฏิหาริย์จบ